การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาทอิทธิบาทแปลว่าธรรมะเครื่องให้ถึงอิทิคือฤทธิ์หรือความสำเร็จหรือธรรมะที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหรือแปล ง, ง่ายๆว่าทางเห็นความสำเร็จมีสี่อย่างคือสันทาความพอใจวิริยะ ความเพียรจิตตะความมีใจจดจอ่อและวิมังสาความสอบสวนไตรตรองแปลให้จำง่ายตามลำดับว่ามีใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝากไฟใช้ปัญญาสอบสวนอิทธิบาทนั้น พระพุทธเจ้าตรัสพันไว้กับเรื่องสมาธิเพราะอิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดสมาธิและนำไปสู่ผลสาเร็จที่เป็นจุดหมายของสมาธิสมาธิเกิดจากอิทิบาทข้อใดก็มีชื่อเรียกตามอิทธิบาทข้อนั้นโดยในยะนี้จึงมีสมาธิสี่ข้อคือหนึ่งฉันทสมาธิ สมาธิที่เกิดจากชันท่าหรือสมาธิที่มีชันท่าเป็นใหญ่ 2. วิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะหรือสมาธิที่มีวิริยะเป็นใหญ่สจิตต a สมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะหรือสมาธิ ที่มีจิตตะเป็นใหญ่สวิมังสาสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาหรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่อันหนึ่งสมาธิเหล่านี้จะเกิดมีควบคู่ไปด้วยกันกับความเพียรพยายามที่เรียกว่าปัะฐานสังขาร ซึ่งแปลว่าสังขารที่เป็นตัวความเพียรหรือความเพียรที่เป็นเครื่องปรุงแต่งขอแปล ง, ง่ายง่ายว่าความเพียรที่เป็นแรงสร้างสรรหรือความเพียรสร้างสรรได้แก่ความเพียรซึ่งทำหน้าที่สี่ประกอบด้วยกันละเจริญรักษา ที่เรียกว่าประธานศีนั่นเองสมาธิเกิดจากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือจากความมีใจรักภาคเพียรธรรมเอาจิตฝักไฟใช้ปัญญาสอบสวนได้อย่างไรมีแนวความเข้าใจดังนี้ 1. นฉันทะความพอใจได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ทำและพอใจใยรักในจุดหมายของสิ่งที่ทำนั้นอยากทำสิ่งนั้นนั้นให้สำเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายพูดง่ายๆว่ารักงานแล้วรักจุดหมายของงานพูดให้ลึกลงไปในทางธรรมะว่าความรักใกล้ใยใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ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 ความอยากที่เป็นชันทานี้เป็นคนละอย่างกับความอยากได้สิ่งนั้นๆมาเสพหรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัณหาความอยากของฉันท่า น, นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นๆงานนั้นๆบรรลุความสำเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมัน อาการของความอยากที่เป็นสันทานี้พูดแยกออกไปว่าขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นกำลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความเอิบอิ่มใจครั้นสิ่งหรืองานที่ทำบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัสมีความสุขเป็นความชามชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวยรสอร่อยหรือรนเปลความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตนเป็นความชาชื่นใจที่เศร้าหมองหมกหมักตัวกีดกั้นกักตนไว้ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง เมื่อเด็กเล็กๆคนหนึ่งอยู่ตามลำพังเด็กนั้นอาจกำลังเขียนภาพอย่างประนีตบรรจงด้วยใจรักตั้งใจให้ภาพนั้นดีงามสมบูรณ์ที่สุดหรืออาจกำลังเอาของเล่นที่เป็นชิ้นส่วนมาต่อเข้าเป็นรูปร่างต่างๆอย่างระมัดระวังให้เรียบร้อยดีที่สุดของรูปร่างที่หมายใจไว้นั้นเด็กนี้มีความสุขเมื่องานเขียนหรืองานต่อชิ้นส่วนนั้นดาเนินไปด้วยดีมีความสาเร็จ ทีละน้อยๆไปเรื่อยๆยิ่งเมื่อการเขียนหรือต่อชิ้นส่วนนั้นเสร็จสิ้นบรรลุจุดหมายเขาจะดีใจมีความสุขมากอาจถึงโลดเต้นเด็กนี้ทำงานนั้นด้วยจิตใจแน่วแน่ตั้งมัน่นพุ่งตรงต่อจุดหมายเขามีความสุขด้วยงานและความสาเร็จของงานนั่นเองเป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการเสพสวยรถสิ่งใด ไม่จำเป็นต้องอาศัยอามิตตอดแทนและไม่จำเป็นต้องมีใครอื่นมาคอยดูคอยชมพนอตัวตนของเขาคือไม่ต้องอาศัยรางวัลทั้งที่เป็นการและที่เป็นภพต่อเมื่อทําสาเร็จแล้วเขาอาจอยากเรียกให้ใครๆมาดูหรือเอาภาพนั้นไปอวดหรือเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ชื่นชมกับความดีงามความประณีตสมบูรณ์ของภาพ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 แต่การที่จะชมหรือเอาใจสายเกินเลยไปจนกลายเป็นการหันจากความดีงามความสาเร็จของงานไปเป็นการพนอซึ่งเป็นความยึดมั่นตัวตนของเด็กในรูปใดรูปหนึ่งน่าจะไม่ถูกต้องเพราะจะกลายเป็นการแปรชันทะาของเด็กให้กลายเป็นตัญหาเปลี่ยนจากกุศลเป็นอกุศลไปอาจเป็นการสร้างนิสัยเสียให้แก่เด็กคือเมื่อเกิดมีชันทะขึ้นมาใด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 และสังคมก็จะเดือดร้อนมากขึ้นมีข้อสังเกตที่เสนอไว้โดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคนตะวันออกแถบเอเชีย e ตะวันออกเชียงใต้นี้ดูจะหย่อนในด้านชันทะส่วนคนตะวันตกดูเหมือนจะมีชันท่าสูงแต่น่าเสียดายที่เอาชันทะนั้นไปเป็นปัจจัยเลี้ยงตันหาเสียจึงสร้างความสาเร็จได้ดีกว่า ร้มกับที่ก่อปัญหาขึ้นมากกว่าเช่นเดียวกันการที่เด็กอยากชวนคนอื่นมาชื่นชมสิ่งที่พบเห็นหรืออยากอวดแสดงนั้นแม้จำกัดเฉพาะสิ่งที่เป็นความสำเร็จของเด็กเองเท่านั้นแต่จะมีต่อสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปทั้งที่เป็นของมนุษย์ปรุงแต่งและที่เป็นธรรมชาติแม้แต่เม็ดหินกรวดทรายใบหญ้าและมแมลงเล็ก ที่เขามองเห็นความดีงามสมบูรณ์แฝงอยู่ความรู้สึกเช่นนี้จะเห็นได้ไม่ยากแม้ในผู้ใหญ่ทั่วไปเมื่อมองเห็นธรรมชาติอัน ง, งดงามผลงานที่ปราณีตน่าชื่นชมการแสดงออกของคนซึ่งทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์เป็นต้นคนมักจะอยากชวนคนอื่นให้มาดูชมมาสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลอย่างที่ตนได้รับด้วย ในการที่เขาชวนใครๆนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเสพสวยอะไรหรือจะเอาอะไรเพื่อตนเลยคนที่ได้มองเห็นคุณค่าความจริงแท้ของธรรมะก็จะมีความรู้สึกทำนองเดียวกันนี้อันทำให้ธรรมะมีคุณสมบัติเป็นเอหีปาซิโกคือชวนให้เชิญกันมาดูถ้าสามารถปลุกเร้าชันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า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 ทรัพสมบัติและโลกาิมิตมากมายออกบวชได้ก็เพราะเกิดชันทะในธรรมะเมื่อได้สนับทราบซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้คนทั้งหลายที่ทำงานด้วยใจรักก็เช่นเดียวกันเมื่อมีชันทะนำแล้วก็ต้องการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้สาเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไม่ห่วงพวงกับสิ่งล่อเราหรือผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจก็มุ่งแนวแนวมั่นคงในการดำเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่ซ่านไม่สายฉันทัสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยในยะนี้และพร้อมนั้นประธานนสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ก็ยอมเกิดควบคู่มาด้วย 2. วิริยะความเพียรได้แก่ความอาดหานกล้าวกล้าบากบันก้าวไปใจสู้ไม่ยอ่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบากเมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ทำให้สาเร็จในพุทธการมีนักบวชนอกศาสนาหลายท่านเมื่อสะดับพุทธธรรมและเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทรันได้ทราบว่าผู้เคยเป็นนักบวชนอกศาสนาจะต้องประพฤติวัดทดสอบตนเองก่อน เรียกว่าอยู่ปริวาสคือติตาทิยาปริวาสเป็นเวลาสี่เดือนก็ไม่ท้อถอยกลับกล้าเสนอตัวประพฤติวัดตรวจสอบเพิ่มเป็นเวลาถึงสี่ปีเช่นอเจลกัสปะสุปัฏฐาปริพาชกอเจลาเสนียวัชโคตตะปริพาชกมาคันธิยะปริพาชกส่วนผู้ขาดความเพียรอยากบรรลุความสาเร็จเหมือนกันแต่พอได้ยินว่า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 พร้อมทั้งมีประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 3. จิตตะความมีใจจดจอ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ได้แก่ความมีจิตผูกพันจดจอ่อฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน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 ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขที่จุดไหนและอื่นๆในการปฏิบัติธรรมวีมังสกาชนก็ชอบพิจารณาไกล้ครวนสอบสวนเช่นว่าธรรมะข้อนี้ข้อนี้มีความหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรควรใช้ในโอกาสอย่างใด ควบคู่สัมพันธ์กับข้อธรรมะอื่นข้อใดปฏิบัติธรรมคราวนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าอินทรีย์ใดอ่อนไปอินทรีย์ใดเกินไปคนสมัยปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างนี้ถาดคลนธรรมะข้อใดมากจะนำธรรมะข้อนี้เข้าไปควรใช้วิธีอย่างใดควรเน้นความหมายด้านไหนเป็นต้น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 ความจริงอธิบาทสี่อย่างนี้เกื้อหนุนกันและมากมาด้วยกันเช่นเกิดฉันทามีใจรักแล้วก็ทำให้ภาคเพียนเมื่อภาคเพียนก็เอาใจจดจ่อใฝ่ใจอยู่เสมอและเปิดช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาตรายตรองแต่ที่แยกเป็นแต่ละข้ออย่างนี้ก็โดยถือเอาภาวะที่เด่นเป็นใหญ่เป็นตัวนําเป็นตัวชักจูงข้ออื่น ในแต่ละกรณีเช่นว่าเมื่อฟังธรรมด้วยกันคนหนึ่งชอบศึกษาธรรมฟังด้วยความรักความพอใจในธรรมอยากรู้อยากเข้าใจธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือแม้เพียงแต่ชอบใจธรรมะที่แสดงในคราวนั้นหรือชอบผู้แสดงคราวนั้นจึงฟังด้วยจิตใจแน่วแน่ก็มีชันทะเป็นตัวเด่นชักนาสมาธิ และกุศลธรรมอื่นๆอีกคนหนึ่งมีนิสัยหรือแม้แต่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อพบอะไรที่ควรทำก็ต้องสู้ต้องเอาชนะต้องเข้าเผชิญและต้องทำให้สำเร็จจึงฟังด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งท้าทายจะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ก็มีวิริยะเป็นธรรมะมเด่น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 หรือจะค้นหาเหตุผลในธรรมะที่ฟังฟังไปก็คิดใคร้ครวนพิจารณาสอบสวนไปใจจึงเน่าแน่อยู่กับธรรมะที่ฟังก็มีวิมังสาเป็นใหญ่ด้วยเหตุนี้บางแห่งท่านจึงเรียกอิทธิบาศสี่นิวาเป็นอธิปดีหรืออธิปไตยสี่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 หรือถ้าจะให้ดีควรเป็นประโยชน์ของส่วนรวมเช่นความเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ก็ได้ข้อนี้เป็นชันทะบริสุทธิ์จนทำให้นักเรียนเกิดความรักความพอใจอยากเรียนเพราะอยากรู้วิชานั้นนี้เรียกว่าปลุกชันทะให้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง อาจพูดปลุกเร้าในแง่ที่เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาความสามารถกระตุ้นความเข้มแข็งคึกคักที่จะเรียนหรือกล่าวถึงตัวอย่างการกระทาสาเร็จของผู้อื่นให้เกิดกำลังใจสู้เป็นต้นเรียกว่าปลุกเร้า ว, วิริยะขึ้นอีกอย่างหนึ่งอาจปลุกเร้าในแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบ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 ครูอานสอนตามแนวของการสารวจตรวจสอบสืบสวนทดลองหรือค้นคว้าหาเหตุผลเช่นตั้งเป็นปัญหาหรือคำถามเป็นต้นซึ่งทำให้นักเรียนต้องใช้วิมังสานักเรียนก็จะเรียนอย่างมีสมาธิได้เหมือนกันเรียกว่าใช้วิธีวิมังษายิ่งถ้าครูจับลักษณะนิสัยของนักเรียนได้ แล้ปลูกเร้าอิธิบาตข้อที่ตรงกับลักษณะนิสัยอย่างนั้นก็ยิ่งดีหรืออาจปลูกอิทธิบาตหลายๆข้อไปพร้อมกันก็ได้ในขณะเดียวกันผู้เรียนหรือผู้ทำงานที่ฉลาดก็อาจใช้โยนิโสมนัสิการปลูกร้าอิธิบาตขึ้นมาใช้สร้างผลสำเร็จได้ด้วยตนเองขอยกข้อความจากบาลีมาเป็นเครื่องทบทวนความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่ความหมายของคําว่าอิทธิไปทีเดียวอิทธิแปลว่าความสําเร็จคําว่าอิทธิหมายความว่าความสําเร็จความสำริดการสําเร็จการสําเร็จด้วยดีการได้การได้จําเพาะการถึงสมบัติการสัมผัสการประจักษ์แจ้ง การบำเพ็ญให้ถึงพร้อมซึ่งธรรมะเหล่านั้นอิทิแปลว่าฤทธิ์อย่างที่เรียกว่าอิทิปาติหารภิกษุทั้งหลายอิทิเป็นไนเหล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมประกอบฤทธิ์ต่างๆได้มากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้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 ซึ่งมีกำลังฤทธิ์แดดมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อานาจทางกายถึงพระมรคโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทเป็นชนัยมัคคาใดปฏิปทาใดยอมเป็นไปเพื่อการได้อิทธิเพื่อประสบอิทธิมัคคาปฏิปธานี้เรียกว่า อิธิบาตอิธิบาตภาวนาคือการเจริญอิธิบาตเป็นชนไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทาสมาธิและประธานสังขารยอมเจริญอิธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารยอมเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตาสมาธิและประธานสังขาร ยอมจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานนสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาพุทธพจน์จากสังยุตตนิกายมหาวรารวกักคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวถึงอิทธิหรือฤทธิไวสิบประเภทฤทธิอย่างที่แสดงในพุทธพจน์นี้เป็นประเภทที่หนึ่งฤทธิประเภทที่สิบ ได้แก่ความสำเร็จเพราะประกอบถูกต้องในเรื่องนั้นๆและข้อสุดท้ายในประเภทที่1ิบได้แก่ฤทธ์คือการละกิเลสได้หมดสิน้นด้วยอรหัตมรรมกวิสุทธิมักนำมาอธิบายพิเศษในด้านอิทธิปฏิหารแต่ก็ได้อ้างความหมายแง่อื่นๆไว้ด้วยเช่นความสำเร็จที่เกิดจากศิลปะในยุทธวิธีหรือแม้แต่การไถวาน ก็เป็นฤทธิ์ในประเภทที่สิบดังนั้นอิทธิบาทจึงใช้เพื่อความสำเร็จได้ในกิจทุกอย่างพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งจากสังยุตตนิกายมหาวารวักภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุอาศัยชันทะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว นีเรียกว่าชันทะสมาธิภิกษุนั้นยังชันทะให้เกิดพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้มุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละอางอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลือนหาย เพื่อพินโยภาพเพื่อความภัยบณ์เพื่อความเจริญเต็มบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานนสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยประธานนสังขานเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะ และประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์หากว่าภิกษุอาศัยวิริยะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิริยาสมาธิละจนถึงวิริยานี้ด้วยวิริยาสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยาสมาธิและประธานสังขาร ในที่นี้ทั้งหมดทุกข้อเนื้อหาตรงกลางท่นละไว้คือโดยในย่เดียวกันกับข้อแรกและข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับหากว่าภิกษุอาศัยจิตตะจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าจิตตสมาธิจิตตานี้ด้วยจิตตะสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่า อิธิบาตที่ประกอบด้วยจิตตาสมาธิและประธานสังขารอากว่าภิกษุอาศัยวิมังสาจึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิวิมังสานี้ด้วยวิมังสาสมาธินี้ด้วยประธานสังขารเหล่านี้ด้วยนี้เรียกว่าอิธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ ละประธานสังขารในอภิธรรมแสดงคำจำกัดความฉันทสมาธิเป็นต้นแปลกไปเล็กน้อยเช่นว่าภิกษุทำฉันทะให้เป็นใหญ่จึงได้สมาธิจึงได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนี้เรียกว่าฉันทสมาธิดังนี้เป็นต้น พุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งว่าปฏิปทาที่ให้ถึงอิทิบาทภาวนาเป็นไนมักคามีองค์แปประการอันเป็นอริยะนี่แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงอิทิบาทภาวนาอีกแห่งว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิบาสีอย่างเหล่านี้ จเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อการไปจากที่ไม่ใช่ฝังคือไม่ใช่จุดหมายสู่ที่อันเป็นฝังคือจุดหมาย